โอปกโกอาชีวโกฝ่ายว่านาการครั้งนั้นอุปกาชีวกเดินมาตามมราคาหนทางในระหว่างเมืองราชคฤตกับไม้โพอตอกันอุปกาชีวกนั้นเห็นท่องแถวพระรัศมีสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าก็บังเกิดพิสวงอัศจรรย์ใจว่าอะไรนั่นเลื่อมเลื่อมไพรไพรประหลาดใจยิ่งนักจะว่าตะวันย่อแสงก็ผิด ตะวันอะไรมายอแสงเวลาป่านนี้หรือจะว่ามีผีสางเทวดาพระไพรเจ้าป่ามาหลอกก็ผิดที่ใช่ว่ามราคาอันนี้เราจะไม่เคยเดินเมื่อไรก็เคยไปเคยมาหลายครั้งหลายคราวแล้วไม่เป็นเหมือนครั้งนี้เลยอะไรนี่หนอดูไปที่ต้นไม้ต้นไม้ก็เลื่อมเลื่อมพรายพายดูไปที่แผ่นดินเล่าก็พร์ไพร์พอยพอย ดูขึ้นไปบนอากาศเล่าก็เลื่อมเลื่อมไพรายดูที่กายอัตมะนี่เล่าก็เห็นประหลาดหลากตาที่แดงแงนี้จะว่าเพลิงก็ผิดถ้าว่าเพลิงแล้วกายของอัตมะจะมีร้อนหรือผ้าของอัตมะจะมีไหมหรือนี่สิหาไม่ได้ที่ขาวขาวนี้จะว่าน้ำก็ผิดถ้าน้ำแล้วกายของอัตมะจะไม่เย็นหรอือ ผ้าของอัตมาจะมีชุ่มมิเปียกหรือนี่สิไม่เป็นกระนั้นจะเป็นอะไรนี่หนออุปการชีวกตะแกก็มาสงสัยสนเท่นักหนาเหลวซ้ายแลขวาเดินพลางดูพลางก็เห็นสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าอันเสด็จบทจรีลาดประกอบด้วยพระพุทธรังสีอันล้ำเลิศประกอบด้วยพระทวัตติงสะมหาบุรุลักษณะ ประกอบด้วยพระอสิตยานุพยัญชนะรุ่งเรืองไปด้วยพระรศมีอันแวดล้อมพระองค์มีประมาณข้างลวาข้างลวาประกอบไปด้วยพระเกศมาลาระเบียพระเกศอันงามเลิศทรงซึ่งสุคตจีวร อ, อันใหม่มีดวงพระพักป ร, ริมณฑลอันผ่องใสงามดุจพระอาทิตย์เมื่อแรกอุทัยที่วาการอุปการชีวกลายเห็นสมเด็จพระพุทธเจ้าแล้ว ก็บังเกิดขนพองสยองกล้าวตกตะลึงไปจึงมาดำรีเห็นว่าเออที่เลื่อมเลื่อมไพรายอัตมะสงสัยไปอื่นเล่ามีรู้ก็รัศมีของบุรุษผู้นี้ทีเดียวมนุษยว่าอัธวาเทโวบุคคลผู้นี้จะเป็นมนุษย์หรือเทวดาประการใดหนอจะว่าเทวดาก็ผิดถ้าว่าเป็นเทวดา ก็จะทรงเครื่องประดับประดาอาพรและจะมาทรงผ้าแดงทรงบาดใหญ่นีเชลรอยจะเป็นมนุษย์เป็นแท้แต่ว่ารูปหากจะงามเองงามนี่กะไรงามยิ่งนักอัตมาเห็นแล้วก็ขนพองสยองกล้าวศีรษะของเรานี้พองขึ้นเสมือนดังชัดอัตไทยว่าถุกของอัตมานี้เต็มไปด้วยปีติปรีแปรมปลื้มอยู่ด้วยความยินดี ชายผู้นี้เห็นจะเป็นบรรพชิตมั่นคงจึงมาทรงจีวรละบาทอย่าเลยจำอัตามะจะปราัยดูสักหน่อยดําริชนี้แล้วสัญชาติคาระโวมีความเคารพอันบังเกิดในสมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นกำลังอุปการชีวกเดินเข้าไปใกล้แล้วก็ปราศัยว่าอยู่ก่อนอาวุโส วิปัสนานิโคโตเตอินทริยานิอินทรีของท่านนี้ผ่องใสปราศจากมนลทินชวีวันแห่งท่านนี้บริสุทธ์เลื่อมประพั ส, สอนงามล้ำเลิศบุคคลทั้งปวงโกนาโมสิท่านนี้มีนามปรากฏชื่อไรบรรพชาของท่านนี้เฉพาะบุคคลผู้ใดใครเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนท่านท่านชอบใจในลัทธิของบุคคลผู้ใด เมื่ออุปกาชีวกปราัสไต่ถามด้วยประการชนีสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าเมื่อจะทรงแสดงให้ปรากฏแก่อุปกาชีวกว่าพระองค์เป็นที่เฉลิมแห่งนักปราดทั้งปวงจึงมีพระพุทธดีกาตรัสเป็นบาทพระคาถาว่าสัพพวิธุหัมัสมิสัพเพสุธรรมเมสุอนุปลิโตดังนี้มีเนื้อความว่า ดูก่อนอุปกาชีวกตถาคตนี้ครอบงมเสียซึ่งธรรมอันยุติในภูมิสามทุกสิ่งสรรพสัตว์ในมนทนแห่งไตรภพนี้ตถาคตครอบงมเสียได้สิน้นสรภพวิถูตถาคตนิตรัสรู้ซึ่งธรรมอันยุติในภูมิสี่ธรรมอันเป็นกามาพจรภูมิรูปาพจรภูมิอรูปปาพจรภูมิ โลกุตระภูมินั้นตถาคตต ร, รัสรู้สิ้นสุดทั้งปวงหาเศษมิได้สัพพธรรมเมสุอนุปปลิโตตถาคตนี้มิได้ติดแฝดไปในกิเลสธรรมทั้งปวงทั้งปวงนั้นปราศจากสันดานแห่งตถาคตแล้วสัพพัญจโโหตถาคตนี้ลาเสียได้ซึ่งทำทั้งปวงอันุติในภูมิสาม กันหักโยราคะดำริสนาอันกระทำให้สันดานนั้นขุนมัวเศร้าหมองนั้นก็สิ้นสุดขาดจากสันดานตถาคตแล้วตถาคตนี้ตรัสรู้ซึ่งพระสัตธรทมด้วยดีด้วยพระองค์เองหาครูหาอาจารย์มิได้สัตติโสเมนะวิชติบุคคลผู้ใดจะเสมอด้วยตถาคตนี้ไม่มีแล้วนัตถิปฏิปุคโล ตถาคตน้หาคู่เปรียบมิได้ในมนลทนแห่งไตรภพอาราหาตถาคตนี้หักเสียซึ่งกงกรรมแห่งสังสา ร, รจักรตรัสรู้พระสัต ธ, ธรรมด้วยพระองค์เองด้วยอาการมิได้วิปริตสีติภูโตตถาคตนี้บังเกิดมีสันดานอันเย็นเป็นบร ม, มสุขระ ง, งับทุกทั้งปวงด้วยพระสัตธร์รม เสด็จมาบาัดนี้จะไปสู่ปาอิสิปตนะเมรึกทายวรร์ในแวนแควนพารณสีจะบรรลืออมะตะเพรีมีเสียงอันไพเราะคือจะตรัสเทศนาพระมหาธรรมจักกับปวัตนาสูตรโปรดสัตวโลกอันมืดมนอนทการอยู่ด้วยอำนาจอวิชานั้นให้สว่างเห็นพระนิพพานในการครั้งนี้ตังสุตตว อุปกาชีวกได้เสวนาการก็บังเกิดพิศวงแท้จริงพระสมณะองค์นี้นี่เป็นมนุษย์อัศจรรย์หนักหนาทั้งถ้อยคำวาจาก็ไพเราะสละสลวยเพราะทั้งน้ำถ้อยน้ำคำรูปก็งามทั้งคุณวุธเล่าก็มากหาพูดจะเสมอมิได้ตุทาจิตโต ปการชีวกชื่นชมดีใจนักหนาจึงว่าแก่สมเด็จพระมหากรุณาว่าดูก่อนอาวุโสท่านปฏิญาณตัวของท่านว่าเป็นอรหันต์ในปริมนทนแห่งไตรภพข้าพเจ้านี้เห็นจริงด้วยแล้วท่านนี้จะได้ชื่อว่าอนันตาชินะระจนเสได้ซึ่งหมู่มารหาที่สุดมิได้เมื่ออุปการชีวกกล่าวดังนี้ สมเด็จพระมหากรุณาปรารถนาจะประทับท้อยคำแห่งอุปการชีวกให้มัน่นเปรียบดุจพระยาธรรมอันดีประทับซึ่งพระราชสารอันลิขิต ด, ด้วยดินสอนั้นให้มั่นด้วยตราพระราชสีจึงมีพุทธดีกาตรัสว่าดูก่อนอุปการชีวกปัตตาอัสวะขยังบุคคลทั้งหลายใดถึงสิ้นซึ่งอัสวะกิเลสแล้ว มาที่สาวาชินาโหติแต่บรรดาบุคคลที่สิ้นอาสวะกิเลสนั้นมีนามบัญญาชื่อว่าชินะเหมือนตถาคตสิ้นทั้งนั้นชิตาเมปาปากาธรรมาตถาคตชนะได้ซึ่งกองอากุศลธรรมอันลามกทั้งปวงเหตุดังนั้นตถาคตจึงทรงบัญญัตินามชื่อว่าอนันตชินะ เอวังวุตเตเมื่อสมเด็จพระบรมมนาราสพะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธวจนะภาสิทธชนีอุปการชีวกจึงสรรเสริญว่าอาวุโสดูก่อนอาวุโสนามบัญญัติชื่อว่าอนันตาชินะนั้นพึงมีแก่ท่านเถิดว่าแลอุปการชีวกนั้นก็สันศีศาของอัตมา อุมมัังขะเหตัวถือเอามราคาหนทางแวะแล้วก็ไปตามอัธยาศัย